ที่จะนอนไม่หลับนี่ไม่มีมีแต่นอนแต่หัวค่ำแปดโมงเก้าโมงดับไฟนอนกันแล้วแต่คนกรุงเทพนี่ต้องพึ่งยานอนหลับกันเรื่อยตีหนึ่งตีสองแล้วยังนอนไม่หลับไม่รู้คิดเรื่องอะไรผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่การทางสาุรศาพเนี่ยปัญหาทางสังคมเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องการหักสุกจิตไว้บ้างเหรียตมาว่ามีประโยชน์ เพรว่าคนที่ฝึกจิตไม่ดีแล้วรู้จักปล่อยวางได้จริงอยู่แม้ว่าเราจะมีปัญหาเช่นนั้นเราก็หักห้ามใจเราได้อย่างน้อยก็ระงับอารมณ์ได้กว่าไม่ให้พุ่งต้านไม่คิดในเรื่องราวต่างๆการฝึกจิตนี่ถึงได้ผลกําไรอย่างหนึ่งถ้าหากว่าผู้ฝึกจิตดีแล้วนี่จะอยู่ในที่วุ่นวายอย่างไหนก็ได้โดยที่ตัวเองไม่วุ่นวายเลย ถ้าเราทําจิต ด, ดีแล้วแม้ว่าในบ้านนี่จะยุ่งอย่างที่สุดแต่เราเนีไม่ยุ่งปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะทจําใจยังไงถึงจะไม่ยุ่งเนี่ยก็คือจะต้องมีสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นทําให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเนี่เป็นลักษณะของสมาธิจิตหน้าที่นั้นคือกําจัดผู้ที่มีสมาธิจิต ด, ดีแล้วย่อมจะกําจัดความฟุ้งซ่านในใจได้ ไม่ไม่เกิดความวุ่นวายใจส่วนอาการที่ปรากฏคือความไม่หวั่นไหวทีนี้ปัญหาที่ว่าสมาธิเนี่ยจะเกิดได้อย่างไรท่านบอกว่าสมาธินี่มีความสุขเป็นปัจจุฐานที่ว่ามีความสุขเป็นปัจจฐานเนี่ยคือจิตจะมีสมาธิได้ต้องมีความสุขมีความสุขเป็นเหตุสมาธิจึงจะตั้งมั่นที่เป็นดังนี้ก็คกอว่า พระสัมมาสัมุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจิตของผู้ที่มีความสุขความสุขย่อมตั้งมัน่นที่ว่าจิตของผู้ที่มีความสุขย่อมตั้งมั่นเนี่ยคือสมาธิจะเกิดต้องอาศัยสุขเป็นปัจจัยสุขในที่นี้หมายถึงสุขะเวทนาแะาระแสดงให้เห็นว่าจิตจะเป็นสมาธิได้เนี่ยต้องเป็นจิตที่มีความสุขเป็นปัจฉั สุขนี่คืออะไรที่ท่านกล่าวถึงในที่เนี้ที่เป็นประทับฐานไห้เกิดสมาธิความสุขที่จะเป็นประทับฐานไห้เกิดสมาธินี่คือเป็นความสุขของจิตที่ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเข้าครอบงาเนี่อย่างหนึ่งเป็นความสุขทางกายเช่นอย่างเลือดลมเดินสะดวกดีร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยอันเนี้อย่างหนึ่งถ้าหากว่า กายกับใจเราสมบูรณ์ร้อมอย่างนี้เวลาทําสมาธิสมาธิเกิดดีทานั้งหลายที่เคยปฏิบัติมาแล้วจะสังเกต ด, ดูได้ว่าถ้าคราวใดสุขภาพเราไม่ค่อยดีวันนั้นทําสมาธิไม่ค่อยได้ผลแต่วันไหนใจปลอดโปร่งสงบดีเรารีบทําสมาธิเรางั่งสักครู่เดีย่ยจิตตั้งมั่นสมาธิเกิดไวแล้วก็อยู่ได้นาน มาวันก็นั่งไม่ได้เลื่อกแต่บางวันก็ได้เนี่ยเพราะว่าประทับฐานคือเหตุที่จะให้เกิดสมาธินั้นได้แก่ความสุขคนที่จะทําสมาธิจึงต้องเป็นคนทําใจให้เป็นสุขเสียก่อนจึงจะตั้งมั่นได้เนี่ยปัญหาที่ว่าเราจะต้องทําใจให้เป็นสุขก่อนนี่จะทํำยังไงเพราโดยปกติกว่าเราจะนึกถึงธรรมะนึกถึงสมาธิส่วนมากก็มีปัญหาคือความทุกข์ท่วมทับกันมาก่อนแล้วทั้งนั้น ที่จะอยู่อย่างสบายแล้วก็นึกถึงหลักธรรมนึกถึงการปฏิบัติเนี่ยมีน้อยเหลือเกินส่วนมากกว่าเราจะเห็นประโยชน์ของธรรมะก็ต่อเมื่อเราเดี๋ยมีความทุกข์จนกระทั่งเราแก้ไขไม่ไหวแล้วความทุกข์มันท่วมทับมากเราจึงมองเห็นหาธรรมะว่าเราจะทําอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้ก็แสดงว่ากว่าเราจะมาหาธรรมะเนี่ยเราก็ถูกความทุกข์เล่นงานซะแย่มาก่อนแล้วเราจึงหันหน้าเข้าหาธรรมะ เวลาที่เรามีความสุขเราไม่ค่อยนึกถึงธรรมะไม่ค่อยนึกถึงการทำสมาธิการ ท, ทําวิปัสสนาว่าจะเป็นอย่างไรไม่เคยนึกเราจะมัวเมาอยู่กับความผาสุขเช่นนั้นถ้ามีรากก็จะมัวเมาอยู่กับรากมียศก็จะมัวเมาอยู่กับยศอยู่กับความสรรเสริญอยู่กับความสุขต่างๆมักจะมัวเมาฉะนั้นผู้ที่มัวเมาอย่างนี้จึงไม่ค่อยคิดถึงธรรมะเท่าไหร่ แต่เวลาเราเกิดความทุกข์ขึ้นจะเป็นความทุกข์อย่างไรอย่างหนึ่งก็ตามเราก็นึกถึงธรรมะครังจะมานั่งปฏิบัติทันทีเนี่ยปฏิบัติไม่ได้มาทดลองมาแล้วหลายท่านบางท่านมีทุกข์อย่างย่ำแย่มาเลยทีเดียวมาถึงนักธรมาก็ทดลองจับให้นั่งสมาธิพอนั่งสัก1ิบชั่วโมงเนี่ยเหงื่อไหลพ่่มตัว่ะบิดไปบิดมา คือคลวว้ายๆก็ว่าอยากลับถูกมัดอย่างนั้นน่ะแล้วเหงื่อเนี่ยท่วมตัวหมดพอนั่งในสักสิบห้านาทีก็ลืมตานั่งถอนหายใจยาวเฮือก บ, บอกไม่ไหวอาจารย์น่ากลัวแย่ผมตกมรกแน่มันไม่สงบบอกอย่าเพิ่งมายังไม่ตกหรอกค่อยๆทำไปเถอะยังไม่ตกนั่งไปอีกแล้วครึ่งชั่วโมงเหงืง่อโซมกายไงบอกฮ่มนากลัวไม่ไหวมันไม่สงบผมตัดไม่ได้ นึกถึงอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นทุกข์เหลือเกินเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มีความทุกข์มากๆนี่ไปจับนั่งสมาธิไม่ได้ผลนะ่ะอาตมาทดลองมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้มีวิธีอยู่วิธีหนึ่งเรียกว่าอนุบุพิกถาอนุบุพิกถาเนี่ยคือกักถาหรือถ้อยคำ ที่จะไปปลอมกล่าวจิตใจของผู้ที่จะรับธรรมะเนี่ยให้สงบเยือกเย็นมีความสุขเสียก่อนเรียกว่าอนุปพิกถาเป็นคํากล่าวหรือถ่อยคําที่ธารณาถึงอานิสงส์ต่างๆเป็นเบื้องตน้นถือว่าค่อยคําเช่นเนี้ยเสมือนหนึ่งกับไปซักลอกจิตใจของบุคคลที่เศร้ามองเนี่ยให้ผ่องใสขึ้นก่อนตามลําดับอย่างน้อยก็ให้มีความสุขเสียก่อนในขั้นนี้ แล้วจึงจะไปอีกขั้นหนึ่งคือสมาธิฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่สมาธิเนี่ยปัญหาขั้นต้นก็คือจะต้องกล่อมกล่าวจิตหาวิธีสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่เราเสียก่อนจะด้วยการฟังด้วยการศึกษาหลักธรรมแบบนี้ง่ายหรือหาเหตุผลแบบง่ายๆก็าตามต้องศึกษาในขั้นนี้ก่อนพอเราเข้าใจขั้นนี้ดีแล้วจึงจะเข้าไปอีกขั้ น, นคือขั้นทําสมาธิเราต้องเริ่มต้นด้วยการ ขัดกลาจิตใจของเราเให้ผ่องใสให้มีความสุขเสียก่อนมีโยมบางท่านลูกก็ปราถนาดีหรอกบอคุณแม่ไปทำกรรมฐานไปนั่นปฏิบัติแต่แม่เนี่ยยังไม่เคยที่จะมีพื้นฐานทางธรรมมาก่อนเลยลูกจะว่าคุณแม่ไปปฏิบัติเถอปฏิบัติไม่ได้ะ แม่ก็บอกโค้ลูกแม่ยังไม่ได้ขึ้นต้นเลยก็ไก่ขอไข่ขไขก็ยังไม่รู้จุดจู่จะให้แม่ไปนั่งหลับตาแล้วลูกก็อยากจะให้แม่ปฏิบัติแม่ก็บอกว่าแม่ยังไมไ่ไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะไปปฏิบัติได้ยังไงมาปรึกษาสมาสมาเขาบอกว่าต้องเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก็คือจะต้องปูพื้นฐานด้วยการศึกษาให้เข้าใจก่อนด้วยการฟังแล้วจึงจะไปปฏิบัติ ถ้ายังไม่ไม่เข้าใจในเรื่องการศึกษาในเรื่องการปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วเราจู่ๆจะไปปฏิบัตินี่ไม่ได้ผลเนะี่ยเพราะสุดท้ายก็จะสูญเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราพยายามสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราก่อนขั้นต้นก็ฝึกรักษาศีลก่อนฟังธรรมบริจาคทานศึกษาธรรมะเนี่ยเราพยายามสร้างสุขสนขั้ น, น, นขั้นนี้ก่อนเพอเราทําขั้นนี้จนะทั้งจิตของเราเนี่ยอยู่กับที่แล้ว ไ ม, ไม่ตกไปในอกุศลแล้วเราก็ขยับสูงขึ้นถึงขั้นทำสมาธิฝึกจิตแล้วถึงขั้นทำสมาธิถ้าได้ถึงขั้นทำสมาธิดีแล้วเราก็ขยับขึ้นขั้นปัญญาคือขั้นวิปัสนาพอถึงขั้นวิปัสนาดีแล้วเนี่ยก็เป็นอันว่านอนใจได้ถึงแม้จะไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยอตมาเชื่อว่าไม่ตกนรกแน่ ก็โยมที่ปฏิบัติวิปัสนาแล้วเนี่ยเป็นคนเชื่อใจได้ถ้าปฏิบัติถึงขั้นนะเป็นคนวางใจได้ไม่ต้องห่วงจะตายเมื่อไหร่ก็ตายได้เราไม่ต้องไปห่วงคนปฏิบัติว่าแหมสงสารน้าตายเร็วไม่ต้องเป็นห่วงเป็นห่วงเราที่จะงไม่ปฏิบัติเองให้มากกว่าคนที่ทำภูษณ์ขั้นนี้แล้วไม่ต้องห่วงแล้วยังไงก็ต้องไปสู่สุกติแน่นอนเี่ยขอให้ทําไปเป็นขั้นขั้นอย่ากระโดดข้ามขั้นเพราะวการปฏิบัติทำนี่ ถ้าหากว่าไม่ทำไปตามขั้นแล้วก็เสียผลเหมือนกันฉะนั้นก็ขอให้เราค่อยๆฝึกไปแม้ทำสมาธิก็เหมือนกันนะ่ะครั้งแรกเราอาจจะทำได้น้อยแต่ก็ขอให้ทำนั่งสิบห้านาทีก็ยังดีแล้วเราค่อยๆเพิ่มเป็นสามสิบนาทีเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่าหยุดนะถ้าหยุดก็ถอยหลัง ถ้าเรานั่ง15นาทีก็พยายามรักษาระดับ15บานาทีไว้ต่อไปให้สูงขึ้นถึงครึ่งชั่วโมงพอได้ครึ่งชั่วโมงมาเรานั่งได้ย็นสบายเลยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ขอให้เรารักษาสติการนั่งสงบครึ่งชั่วโมงเอาไว้แล้วเราก็ขยับขึ้นทีละ15านาทีเป็น4 15นาทีพอ4 15นาทีดีแล้วเป็นหนึ่งชั่วโมงถ้าท่านนั่งสงบได้หนึ่งชั่วโมงก็เป็นอันว่าจิตของท่านเนี่ยฝึกฝนได้ดีแล้ว จิตอย่างนี้ถ้าเรียกว่าเป็นจิตที่ควรแก่การงานในการที่จะโน้มไปสู่ฌานอภิญญาโน้มไปสู่สติปัญญาไปได้แต่ว่าขอให้เราค่อยฝึกขึ้นไปถ้าเราไม่ฝึกเลยนี่เป็นที่น่าห่วงใ ย, ยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญที่ที่เราจะต้องปฏิบัติกันทุกคนด้วยกุศลอย่างอื่นเนี่ยเราทมามากกว่าจริงแต่ว่า อะไรจะสําคัญเท่าสมาธิมีมีถึงเราจะบริจาคทานมามากแค่ไหนก็ตามก็ขอให้เราได้ฝึกสมาธิกันบ้างเพราะสมาธินี่จะช่วยตอนจิตใกล้จะดับเพราะคนจิตใกล้จะดับนี่สำคัญถ้าหากว่าไม่ฝึกจิตมาก่อนนี่บางคนน่าสงสารเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายแบบไหน จะตายจะเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากมายแค่ไหนเนี่ยเราไม่รู้ล่วงหน้าถ้าเรามีสมาธิก่อนถึงแม่ร่างกายเนี่ยจะเจ็บป่วยแค่ไหนก็าตามเราเอาสมาธิมาระงับทุกขเวทนาได้จิตไม่เศร้าหมองแต่ถ้าคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิจิตมาเวลาป่วยขึ้นมาเนี่ยใจจะเศร้าหมองทันทีท่านทั้งหลายจะสังเกตเวลาเจ็บป่วยจิตจะคุณมัวขึ้น ที่ติดคุณโม้นี่ต้ออะไรเพราะว่าเราไม่มีสมาธิมาช่วยเลยแต่ถ้าเราฝึกทำอยู่บ้างเนี่ยจะช่วยได้มากแล้วก็วิธีฝึกทำเนี่ยไม่ยากไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่สํานักอยู่ที่บ้านเนี่ยทํากันได้นั่งรถเมย์ก็ทำได้หรือเรานั่งรถมาวัดเนี่ยเราก็นั่งทําสมาธิได้ทําได้ทุกแผ่นไม่ไม่มจําเป็นจะต้องไปทําที่สํานัก เพราะว่าถ้าเราตราบแนวทางของการปฏิบัติแล้วอยู่ที่ไหนเรากปทำสมาธิได้ทั้งนั้นในอย่างน้อยเราต้องฝึกเอาไว้เป็นสมบัติของเราบ้างเพราะว่าเวลาเราใกล้จะตายขึ้นมานี่ยังอื่นช่วยไม่ได้เลยเงินทองก็ช่วยไม่ได้ญาติพี่น้องข้าพ่าบริวารใครๆช่วยไม่ได้ทั้งนั้นเป็นอัปตาหิอัตโนานาโถตนเป็นที่ึงของตนตรงเนี้ย ตรงตอนจิตใกล้จะดับเพราะว่ากรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นในระหว่างนั้นเพื่อให้จิตนี่ไปจับกรรมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์เนี่ยจะเกิดในขณะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ไม่ทําสมาธิมาก่อนแล้วอารมณ์ที่ตาสดเกิดขึ้นนี้จะเป็นอารมณ์ที่มีดีที่เป็นอภุศล์ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายพยายามฝึกกันไม่บ้างจตมาว่าขั้นต้นสักสิบห้านาที แล้วต่อไปก็ถึงขั้นสามสิบนาทีเ้าก่อเพิ่มขึ้นเน่ยอย่างเวลาอยู่ที่บ้านนี่เรามีเวลาก่อนนอน <c oughs> เวลาก่อนจะนอนเนี่ยเราฝึกแม้เวลานอนก็เหมือนกันก็นั่งทาสมาธิจนนอนทำสมาธิจนกว่าจะหลับให้ฝึกว้อย่างนี้บ่อยๆแล้วก็เวลาถึงคราาทับขันขึ้นมาเราก็จะได้รู้จักสมรวมจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยดีขึ้น การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่จิตนั้นเป็นปัญหาเบื้องต้นของผู้ที่ทำสมาธิสมาธิจะเกิดหรือไม่เกิดก็อยู่ที่ความสุขอันนี้เรื่อความสุขเนี่ยเหมือนกับมีดสองคมเพราะความสุขนี้อาจจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลก็ได้เป็นเหตุให้เกิดอกุศลก็ได้ที่ว่าเป็นเหตุให้เกิดอกุศลนั้นคือผู้ที่มีความสุขทางกายมากบางทีอกุศลก็เกิด เกิดอคุศลมีอารมณ์บริทางอกุศลเช่นเป็นผู้ปักไฟในเบญจากา ม, มคุณอย่างนี้ก็ด้วยอํานาจของความสุขที่มีมากเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการไว้ว่าความสุขเนี่ยจะเป็นประทับฐานให้เกิดสมาธิจิตได้เราจะใช้อย่างไรคือเมื่อเราเกิดความสุขกายสุขใจขึ้นแล้วเราก็ควรจะทําสมาธินั่งทําสมาธิเช่นอย่างท่านทั้งหลายจะสังเกต จากใจเราเองทุกๆวันเนี่ยความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกันบางวันใจเราโปรงมองเห็นโลกโดยถูกต้องถ้าวันไหนใจก็อโปรละแล้วท่านทั้งหลายนั่งทำสมาธิสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเราจะรู้สึกสบายที่สุดในเวลานั้นแต่บางวันใจก็วุ่นวายทั้งหมดไม่มีปัญญาจะเห็นความจริงของโลกเลยแม้แต่น้อย โมหะเข้าครอบงำเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความสุขทางใจก็ขอให้เราใช้ความสุขที่เกิดเนี่ยทำสมาธิฝึกฝนกันไว้และสมาธิก็จะเกิดนี่เป็นปัญหาที่ว่าสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรตรีปัญหาที่สี่ก็คือสมาธิมีกี่อย่างคาว่าสมาธิมีกี่อย่างนี่ คำว่ากี่อย่างในที่นี้คือถ้าจะกล่าวโดยนัยยะที่เป็นทุกิยะคือสมาธิมีสองอย่างก็แยกออกไปเป็นอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิสาถามว่สมาธิมีกี่อย่างมีสองอย่างหนึ่งอุปจารสมาธิสองอัปปนาสมาธินี่นัยยะที่หนึ่ง อุปจารสมาธินั้นแปลว่าสมาธิที่เฉียดชานหรือเฉียดอัปปนาเข้าไปเราเรียกสมาธิอย่างนี้ว่าอุปจารสมาธิส่วนอัปปนาสมาธินั้นหมายถึงสมาธิที่ถึงขั้นชานถึงขั้นปฐมฌานเป็นต้นไปเป็นอัปปนาสมาธิหรืออีกเลยหนึ่งที่ว่าสมาธิมีสองอย่างนั้นก็คือหนึ่งโลกิยาสมาธิและสองโลกุตระสมาธิ โลคิยสมาธิที่หมายถึงสมาธิที่ถึงขั้นรูปฌานกับอรูปฌานหมายถึงว่าสมาธิอันนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นโลกุตรธรรมหรือมรรคผลอย่างนี้เป็นโลคิยาสมาธิแต่ถ้าเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นในมรรคจิตผลละจิตแล้วอันนั้นเป็นโลขุตระสม า, าธิฌานชนิดนี้นอาจจะเกิดได้จากบุคคลที่มีบุญบารมีแก่กล้าโดยที่ท่านผู้นี้ไม่ต้องเจริญสมถมะมาก่อนเลย พอบรรลุมรรคผลมรรคจิตเกิดฌานก็เกิดทันทีฌานอย่างนี้เขเรียกว่ามรรคสิทธิฌานเข า, าขบอกมรรคสิทธิฌานเนี่ยแปลว่าฌานที่เกิดขึ้นพร้อมกันกันกบมรรคจิตพอจิตได้บรรลุถึงโสดาปติมาร์หรือสกทาภาามิมา ก, ก็ตามฌานเกิดขึ้นมีสมาธิเกิดขึ้นในขณะนั้นทันทีสมาธิอย่างนี้เรียกว่าโลกุตณะสมาธิ หรือสมาธิที่มีปีติกับสมาธิไม่มีปีติก็ได้สมาธิที่มีปีติก็คือสมาธิขั้นขั้นปฐมฌานทุตยฌานพอปฐมฌานทุตีฌานนั้นยังมีปีติต่าตยฌานก็ยังมีปีติอยู่ส่วนสมาธิที่ไม่มีปีติก็คือขั้นจากตุติฌานหรือปัญจมาฌาน คือฌานที่สี่และฌานที่ห้าเพราะว่าจิตที่บรรลุถึงผสมฌานนี้ในปสมฌานนั้นจะมีวิตตบวิจารปีติสุขเอกคตาพอสมาธิถึงทุเตียฌานก็ละวิตตบอันเป็นอารมณ์ที่หยาบได้จะเหลือแต่วิจารปีติสุขเอกขตาพอถึงตเตียฌานก็ละวิจารณ์ขึ้นเป็นองค์ฌานที่หยาบได้จะเหลือแต่ปีติสุขเอกคตา แต่พอถึงจากตุตรฌานก็ละปีติได้จเจอองคฌานเพียงสุขกับเอกคตาพอถึงปัญจมาฌานสุขนี่ก็เป็นอุเบกขาเหลืออุเบกขากับเอกคตาเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อจาแนกโดยสองประเภทว่าสมาธิที่มีปีติกับไม่มีปีติสมาธิที่มีปีติก็คือสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานถึงต่าติยฌานที่ไม่มีปีติก็ตั้งแต่จตุติฌานถึงปัญจมาฌานคือฌานที่สี่และฌานที่ห้า เป็นสมาธิที่ไม่มีปีติเนี่ยจะแมกโดยสองประเภทอีกใ น, นยันหนึ่งสมาธินี่ท่านแยกออกเป็นสามประเภทคือสมาธิอย่างต่าสมาธิอย่างกลางและก็สมาธิอย่างสูงเนี่ยจะแนกออกไปโดยสามประเภทโดยสี่ประเภทนี้ท่านจะแนกออกไปเป็น สมาธิที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาติน ญ, ญาบุคคลหรือทันธาติน ญ, ญาสมาธิเป็นต้นนะซึ่งสมาธิแต่และประเภทเหล่านี้เรายังไม่จาเป็นต้องศึกษาในตอนนี้ก็ได้เพราะว่าความเข้าใจที่เราจะจำแนกสมาธิต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแต่และประเภทเช่นนี้เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงหลักของสมาธิแต่และประเภทนั้นก่อน ว่าสมาธิเหล่านั้นมีอะไรบ้างนี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอสมาธิที่เราจะต้องศึกษาก่อนเป็นเบื้องตอน้นว่าสมาธิเนี่ยมีกี่อย่างนี่ตมาก็ได้จําแนกออกไปโดยประเภทใหญ่ๆที่เป็นอุปจาระเป็นอั ป, าปนปาสมาธิเป็นโลกียะเป็นโลกุตระเป็นทีนะมัชชิมะปณีตตคือเป็นอย่างต่ําอย่างต่ําอย่างกลาง และก็อย่างปาณีซึ่งก็เป็นประเภทของสมาธิปัญหาที่ห้าก็คืออะไรเป็นความเศร้าหมองของสมาธิความเศร้าหมองของสมาธินี่คือนิวร น, นิวรณนน์เป็นความเศร้าหมองของสมาธิผู้ที่มีนิวรณเกิดขึ้นแล้วสมาธินั้นย่อมเกิดความเศร้าหมองเพราะว่า นิวรณ์ทำให้จิตของบุคคลที่จะทำสมาธินั้นไม่สามารถจะบรรลุถึงซึ่งสมาธิจิตได้นอกจากนิวรณก็มีปริพ o o t ปริพ o o เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องสาคัญมากผู้ที่ทำสมาธิจะต้องขจัดความเศ้าหมองหรือป้องกันความเศอ้าหมองของสมาธินี้เสียก่อนก็คือถ้าหากว่า ท่านทั้งหลายมุ่งที่จะทำสมาธิหาความสงบทางจิตแล้วปัญหาเบื้องแรกที่สุดก็คือจะต้องตัดปริโภ o t ปริโภ o t เนี่ยคือความกังวลจะต้องตัดความกังวลจะก่อนเราจะทำความสงบให้แก่จิตต้องไม่มีความกังวลคือต้องไม่มีปริโภ o t ปริโภ o เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากผู้ใดมีปริโภ o t มาก ผู้นั้นยิ่งทาสมาธิไม่ได้แม้ว่าจะเคยผ่านการฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีแต่ถ้าปริพโคตรเหล่านี้เข้ารอบงาแล้วสมาธิก็ทําไม่ได้เป็นแม้เป็นอันตรายอย่างสําคัญสําหรับเรื่องสมาธิยสําหรับเรื่องปริโภคตรนี่ปริพโคตรนี่มีอยู่สิบอย่างที่ท่านวางไว้ในทีน่นี้เช่นอาวาสปริพโคตร ปุละปริพภค์ลาพระปริพโคคณะปริพโคการงานปริพภค์การเดินทางไกลก็เป็นปริโโคดญาติพี่น้องก็เป็นปริพภค์ความอาพาธก็เป็นปริพภค์คำทีคือการศึกษาก็เป็นปริพภค์การแสดงลิ์ต่างๆก็เป็นปริพภค์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นปริพโค เป็นความกังวลของผู้ที่ทำสมาธิเพราะฉะนั้นจะต้องตัดปริโพเทก่อนเช่นอย่างอาวาสปริโทษความกังวลในเรื่องอาวาสเนี่ยอย่างผู้ที่เป็นสมภานเจ้าวัดสมภานเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่เอยได้ไปไหนก็ไม่เคยได้ทำไมไปไม่ได้เป็นห่วงวัดห่วงวัดถ้าคารวสทำไมได้ปฏิบัติธรรมบ้างแม้เป็นห่วงบ้าง ทำไมไม่ได้วัด น, นะไม่มีใครเฝ้าบ้านอย่างนี้เรียกอาวาสะปริโทษโยมก็ห่วงบ้านพระก็ห่วงวัดถ้าห่วงบ้านห่วงวัดปฏิบัติไม่ได้ความกังวลอันนี้จะเกิด น, นี่เรียกว่าอาวาสปริโทษทีนี้คาว่าภุรละก็คือสกุลปริโทษเรื่องสกุลนี้ หมายถึงว่าเป็นห่วงตระกูลญาติถ้าพระก็ห่วงญาติห่วงอุปทานประแหม่ถ้าหากว่าเราไปปฏิบัติอยู่โยงอุปถานจะทำยังไงเนี่ยเป็นห่วงโยงอุปทานถ้าหากว่าเป็นครวาญก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงพี่ห่วงน้องห่วงพ่อห่วงแม่ว่าเอเราจะทิ้งเขาไปได้ยังไงบางทีก็ห่วงสามีห่วงพันยา เราไม่อยู่เขาจะทํากันยังไงเขาจะอยู่กันยังไงใครจะปลนมีบตทคอยเฝ้าดูแลบางคนก็บอกว่าแม่ลูกๆ ก, ก็ต้องไปทํางานไม่มีคนเฝ้าบ้านบางคนก็บอกสามีรับทานอาหารยากจนมีบัติยากคนอื่นทําก็ไม่ถูกใจต้องอยู่ทําให้เองพอสุดท้ายไปไหนไม่ได้นเนี่เรียกว่าอุบลปริโพศปริโพศในเรื่องของสกุล ้าสกุลใหญ่หน่อยก็ปริโพศมากขึ้นเรื่องปริโพศอันนี้เราต้องตัดถ้าไม่ตัดแล้วก็ไปไม่ได้นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุระคือสกุลถ้าประสงค์ก็เป็นห่วงญาติโยมเป็นห่วงญาติห่วงโยมก็ปฏิบัติไม่ได้ก็สามลาภปริโพศห่วงลาภห่วงลาภถ้าเป็นครวญก็คือห่วงธรรมะกิน ห่วงไรได้เลยเอย๊ถ้าเราไปปฏิบัตินี่เวลาเท่ารถเบี้ยมาส่งจะส่งกับใครเราจะไปค้าขายไอ้นเ่นนี่ไม่เรียบร้อยนี่ยังไม่เรียบร้อ ย, อ น, อ ย, ย, อยนี่จะทายังไงใครจะดูแลเรื่องการค้าลาบเข้ามาท่องเกี่ยวแล้วเป็นห่วงลาบผลสุดท้ายก็ปฏิบัติไม่ได้ในเรียกว่อางลาภปริโภคกศีลคณะปริโภคคณะปริโภคนี่คือ ห่วงพวกห่วงพวกเพาะว่าแม้าเราตายแล้วเป็นห่วงสังคมมีโยมบางคนไม่กล้าเข้าวัดบอกที่ไม่กล้าเข้าวัดก็เลยเป็นห่วงสังคมไอเราเป็นขาสาคัญไปด้วยถ้าวันนี้ขาดไปเสียขาหนึ่งเข้าก็เล่นกันไม่ได้ <c oughs> เป็นห่วงเล่นไพ่มีเป็นห่วงบอกขาดขาไม่ได้หรอก <c oughs> เดี๋ยวเขาบ่นเอา มาวัดไม่ได้แล้วยังนี่เรียกว่าคณะปริโภคธห่วงพวกพ้องขับพระสงค์เขาบอกถ้าเป็นพระก็ห่วงพวกที่เรียนเช่นพระเรียนอริธรรมด้วยกันก็แม้คิดถึงพวกเดี๋ยวเราหายไปเสีพวกเรียนอริธรรมด้วยกันก็จะหายหายกันไปบ้างอะไรหนาเนี่ยก็เลยบอกไปปฏิบัติไม่ได้ต้องอยู่สียก่อนยี่นี่เรียกว่าคณะปริโภคธเป็นห่วงพวกพ้องริกรรมะปริโภคธ กรรมะเนี่ยแปลว่าการงานงานอันใดที่ยังไม่เรียบร้อยถ้าเราทำยังไม่เรียบร้อยเราไปปฏิบัติก็ไม่ได้เกิดความกังวลยิ่งไปปฏิบัติมากความกังวลยิ่งมีมากเรื่องงานเนี่ยอันนี้อาตมาได้รับจากตัวอาตมาเองโดยปกติแต่ก่อนเนี่ยอย่างน้อยปีหนึ่งจะต้องหาเวลาเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนนี้จะต้องไปหาที่สมบ จะไปอยู่ถ้าอยู่ป่าหรืออยู่ที่ไหนก็าตามจะต้องไปอยู่เดือนนึงตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างงานมากนี่เวลาที่จะไปเดือนหนึ่งต่อนหนึ่งปีเนี่ยไม่มีพลดลงมาเหลือสิบห้าวันนึกว่าไปสักสิบห้าวันก็ยังดีนะ่ะสิบห้าวันก็ไม่มีช่องที่จะไปอาทิตย์นึ่งก็ยังดีอาทิตย์นึก็ไม่มีช่องที่จะไปเอาไม่ไปก็ไม่เป็นไรเราปฏิบัติชีวิตเทียร์ไหลก็ได้ ลองไปนั่งนั่งหนึ่ชั่วโมงจิต ไ, ไม่สงบไม่สงบแบบหนึ่งชั่วโมงยิ่งนั่งเอ้ไอนั่งกะยังไม่เสร็จไอมีกะยังไม่เสร็จมันสร้างครูเข้ามาอยู่เรื่อยความพ่วงใยงานเนี่ยมันก็สร้างครูเข้ามาแต่าามานั่งหนึ่งชั่วโมงนี่ไม่ได้อะไรเลยสูญเสียไปเปล่า ป, ป, ป, ประโยชน์พ็นั่งพยายามอดทนนั่งให้ถึงสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังไม่สงบ เวลานม่่ถ้าใครให้สมานานสมาธิสองชั่วโมงไม่ได้เรื่องนะนั่งไม่สงบเนี่ยเพราะงานและยิ่งงานมากยิ่งยิ่งยุ่งมากสู้ไปทำงานดีกว่ายังไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะมานั่งหลับตายิ่งคิดหนักขึ้นไปอีกตอนนี้ปริโพธมากเนี่ยเป็นเรื่องกรรมซึ่งได้รับกับปตมาเองกรรมะปริโพธะที่พระพุทธองค์ตรัสไเป็นเรื่องจริง เพราะว่าถ้าหากว่ามีกรรมามากแล้วเราจะทําสมาธิเนี่ยทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมีงานมากพยาํามจะจริงๆเอาสงบรจริงๆเนี่ยทําไม่ได้จะได้ก่อนนิดๆหน่อยๆแล้วก็เป็นบางวันบางครั้งบางครั้งก็ระหว่างนั่งรถเดินทางเนี่ยเราทาได้บางครั้งนะบางครั้งใจปลอดโปร่งก็นั่งทําสมาธิได้ แต่บางวันวุ่นเนี่ยทาไม่ได้ก็ทําได้เพียงชั่วครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าโอกาสที่จะได้ทําอย่างเนี้ยน้อยครั้งที่สุดที่จะมีอารมณ์เช่นนี้เกิด น, นอกจานั้นจะเต็มด้วยงานทั้งนั้นบางทีทเที่ยงคืนงานยังไม่เสร็จทีตีหนึ่งตีสองงานก็ยังไม่เสร็จปฏิโทโพดอย่างแรงถ้างานไม่เสร็จเมื่อใดแล้วก็ไม่มีหวังทําสมาธิได้แม่ ท่นที่มีปริโพศในเรื่องนี้ก็ต้องต้องทํางานให้เสร็จก่อนงานอะไรที่ข้างๆต้องทําให้เสร็จถ้าไม่เสร็จแล้วเราไปทําเสียหมดงานก็เสียสมาธิก็เสียเสียต้องสองอย่างนั้นไม่ได้อะไรเลยถ้าจะยุ่งกับงานก็ต้องยุ่งให้งานนี้ให้เสร็จไปก่อนแล้วเราจรึงจะกลับไปทําสมาธิใหม่ถ้างานยังไม่เสร็จก็อย่าขึ้นไปทําจะทําก็หาโอกาสเป็นครั้งคร า, าวเล็กๆน้อยๆก็ยังดี อย่างน้อยเราก็ยังได้มีโอกาสได้สงบบ้างเพียงชั่วขณะหนึ่งถ้าเราไม่มีโอกาสสงบบ้างก็แย่เหมือนกันเพราะว่าจิตที่ขาดการ